สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากงศรีบ้านครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่เจ็ดสิบสามนะครับพระเยซูกับพระบิดาพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเราจะอยู่ในพระธรรมยอญนนะครับเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่บทที่ห้านะครับตั้งแต่ข้อที่สิบเก้านะครับถึงข้อสี่สิบเจ็ดครับเนื้อหาจะรวบรวมอยู่ในนั้นนะครับแต่ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อสิบเก้าจนถึงข้อที่ยี่สิบสี่ให้พี่น้องฟังนะครับโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทําสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทําเพราะสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทําสิ่งนั้นพระบุตรทรงกระทําด้วยเพื่อว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงสำแดงให้พระบุตรเห็นทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทําและพระองค์จะทรงสำแดงให้ปรีพระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกซึ่งท่านทั้งหลายจะประหลาดใจ เพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามีชีวิตแขนใดถ้าพระบุตรปรารถนาจะ ก, กระทำให้ผู้ใดมีชีวิตก็กระทำได้เหมือนกันทันนั้นเพราะว่าพระบิดามิได้ทรงพิพากษาผู้ใดแต่พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษาทั้งชิ้นไว้กับพระบุตร mm hmm. เพื่อคนทั้งปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตร mm hmm. เหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดา ผู้ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตรผู้นั้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมาเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดฟังคําของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วพี่น้องครับพระเยซูทรงสอนผู้นําทางศาสนาที่มาต่อว่าพระองค์ และผู้นำเหล่านี้นะครับมีความปรารถนาที่จะฆ่าพระเยซูยอนได้บันทึกคําสอนของพระเยซูไว้หลายตอนนะครับและในตอนนี้นะครับที่ผมได้อ่านไปนะครับตั้งแต่บทที่ห้านะครับข้อสิบเก้าไปจนทั่งถึงสี่สิบเจ็ดนั้นเป็นบันทึกตอนแรกเกี่ยวกับคําสอนของพระเยซูที่บันทึกอยู่ในพัสติคุณยอนนะครับยอนเริ่มต้นบันทึกพัตดีคุณของเขาต่างจากบัติิวมรารโกลและลูกาครับ เพราะว่ามัทธิวมารโกรและลูกกาทั้งสามท่านนั้นเริ่มต้นโดยกล่าวถึงพระเยซูบุตรมารีและโยเซฟนะครับและลำหลับพงพันธุ์ของพระเยซูนะครับแต่ว่ายอนครับยอนเริ่มเรื่องโดยกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับตลอดบันทึกทั้งเล่มของพระกติคุณยอนนั้นก็ล้วนแล้วแต่ยืนยันเด่นชัดมากเลยนะครับถึงความจริงในข้อนี้ความจริงในข้อนี้ก็คือพระบุตรของพระเจ้านั้นคือพระเยซูเพราะฉะนั้น เราเรียนรู้ความจริงอะไรบ้างครับจากพั้งผีตอนนี้ครับประการแรกนะครับในข้อที่สิบเกนะครับเราเรียนรู้ว่าพระเยซูทรงกระทําการของพระเจ้าพระบิดาครับในข้อสิบเก้านั้นครับบอกว่าเราบอกความจริงเกี่ทั้งหลายว่าพระบุตรจะกระทําสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทําเพราะสิ่งที่พระบิดาทรงกระทําสิ่งนั้นพระบุตรก็ทรงกระทําด้วยดังนั้นเราเห็นนะครับพระเยซูทรงกระทําการของพระบิดา ในสมัยนั้นนะครับคนหนุ่มๆจะเรียนรู้กิจการงานของพ่อและจะเลื่อยลอยตามครับพ่อมักจะให้ลูกชายมาร่วมงานแล้วก็พ่อจะเป็นผู้ที่ฝึกสอนไปด้วยพระเยซูเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณพ่อของพระองค์ในโลกนี้คือโยเซฟนะและพระเยซูก็ส่งฝึกงานนะครับจากโยเซฟโยเซฟนั้นเป็นผู้ที่สอนการเป็นช่างไม้ให้กับพระเยซูเช่นเดียวกันครับนะพระเยซูก็เปรียบเทียบครับว่าเมื่อพระเยซูนั้นพระองค์มาจากพระบิดานะครับ พระองค์ก็จะทําการของพระบิดาเช่นเดียวกันครับพระเยซูกระทําสิ่งใดตามใจไม่ได้นะครับนอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทําเพื่อนครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้านะครับรเราก็จะกระทําสิ่งใดตามใจไม่ได้เหมือนกันครับนอกจากที่พระเจ้าหรือพระบิดาสั่งให้เราทําเช่นเดียวกันครับสิ่งใดที่พระบิดาทรงกระทําสิ่งนั้นพระบุตรก็ทรงกระทําด้วยเพราะฉะนั้นเราจะทําในสิ่งที่พระองค์ทาเท่านั้นครับ หากพระเยซูตัด ถ, ถึงโยเซฟพวกผู้นําชาวยิวก็คงจะพอรับได้ใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขาก็ไม่อาจยอมรับความจริงว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับอันนั้นคือประการแรกประการที่สองครับพระเยซูทรงมีฤทธิอนานาจที่จะให้คนตายฟืน้นนะครับให้คนตายเป็นขึ้นในความตายในข้อยี่สิบนะครับกล่าวว่าเพราะพระบิดาทรงทําให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามีชีวิตอยู่ทันใดถ้าพระบุตรปรารถนาะจะกระทําให้ผู้ใดมีชีวิตอยู่ ก็จะกระทําเหมือนกันฉะนั้นแม้เมื่อพระเยซูทรงพิสูคดคําสัตย์นี้นะครับโดยให้ลาชลัสและคนอื่นๆเป็ น, นเคร่หมความตายนะครับพวกผู้นําของยิวก็ยังไม่อาจรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับประการที่สามครับประการที่สามครับความจริงที่เรารู้นะครับจากพระผีตอนนี้ก็คือว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจในการประทานชีวิตนิรันด ร, ร, รน์นะครับพระเยซูตรัสในข้อยีิบสี่นะครับว่าถ้าผู้ใดฟังคําของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ครูนั้นก็มีชีวิตอิรันและไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วพระเยซูทรงแสดงหลักฐานครับและพระเยซูทรงเป็นพยานยืนยันคำตัดของพระองค์เสมอในข้อสามสิบถึงสีิบเจ็ดนะครับถ้าพี่น้องมีเวลาพี่น้องลองอ่านดูนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่ห้าข้อสามสิบถึงข้อสี่สิบเจ็ดนะครับพระเยซูทรงแสดงหลักฐานว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับดังนั้นนะครับพระองค์ทรง พระบิดาหรือพระเจ้าทรงใช้พระองค์คือพระเยซูมานะครับต่อมาครับในข้อ31ถึงข้อ46นะครับพูดถึงคําพยานของยอนผู้ให้บัพติศมาครับเนียแต่ในข้อที่36ครับก็ได้กล่าวถึงสิ่งที่เยซูทรงกระทํานะครับก็เป็นหลักฐานว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับไม่ยิ่งไปกว่านั้นครับประการที่4ครับพระคัมภีร์นะครับก็ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะะและถ้าเราดูนะครับในเอ เรื่องของโมเสสครับในข้อที่45ถึงข้อ47นะครับก็โมเสสเองนั้นก็ยืนยันนะครับว่าพระเมสสิยานั้นเป็นใครพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับอย่าลืมนะครับคําว่าบุตรหรือพระบุตรนั้นก็คือแปลว่านะครับแปลได้อีกความหมายนั่ว่ามาจากนะครับพระเยซูนะครับเป็นมาจากพระเจ้านะครับ แต่พวกผู้นำของยูนครับไม่ยอมรับคําสอนของพระเยซูเพราะพวกเขาเนั่องเชื่อในพระเจ้าครับพระเจ้าองค์เดียวนะครับเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูจะเป็นพระเจ้าได้ด้วยพวกเขายอมรับยอนผู้ให้บัพติศมาพวกเขาเชื่อพระมิตรพวกเขาเคารพเทิดทูนโมเสสอย่างไรก็ตามครับเมื่อพระเยซูทรงยกทั้งหมดนี้มาเป็นเครื่องยืนยันเป็นหลักฐานว่าพระองค์นั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าพวกเขากลับเรียกว่านี่เป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าและ ในที่สุดนั้นเขามาถึงโซลูชันหรือบทสรุปว่าเขาจะต้องทำลายพระเยซูทิ้งไปเสียพี่น้องครับวันนี้นะครับผมอยากจะสรุปให้พี่น้องฟังนะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแน่นอนครับนะฮะประการแรกคือพระเยซูทรงทำตามแบบอย่างของพระเจ้าครับนะครับสองครับพระเยซูทรงพระเจ้าทรงรักพระเยซูนะครับและทรงสำแดงให้เห็นถึงสิ่งที่ทรงกระทำประการที่สามครับพระเจ้าให้ริษัทอำนาจแก่พระเยซู ที่ทําให้คนตายเป็นขึ้นมาได้นะครับประการที่สี่ครับพระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์ถวายเกียรติแด่พระเยซูเหมือนที่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าประการที่ห้าครับพระเจ้าประสงค์ให้คนทั้งปวงมีชีวิตนิรันต์โดยเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าประการที่หกครับพระเยซูประสงค์จะกระทําตามน้ําันไทยของพระเจ้าแน่นอนนะครับประการที่เจดครับพระเยซูทรงใช้บุคคลต่างๆยืนยันความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเองนะครับ ในการในประการที่แปดครับพระเจ้าทรงให้ฤทธิอํานาจแก่พระเยซูก็ทำการอัศจรรย์ต่างๆเพื่อคนทั้งปวงจะเชื่อในพระเยซูและประการที่เก้าประการสุดท้ายนะครับพระเจ้าประทา น, านทพระกัมภีร์เพื่อคนทั้งปวงจะเชื่อในพระบุตรของพระองค์พี่น้องครับนี่คือเ้าประการนะครับถึงความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวข้องกับความฝันระหว่างพระเยซูกับพระเจ้าพี่น้องครับผมชวนให้พี่น้องฝั่งทีนะครับเรารู้ว่าพระเจ้านะครับพระบิดานั้นสัมพันธ์กับพระเยซูได้นะครับดังต่อไปนี้ ผัวนะครับหนึ่งพระองค์ทรงกระทําตามแบบอย่างของพระเจ้าสองพระเจ้าทรงรักพระเยซูและสําแดงให้เห็นสิ่งที่ทรงกระทำสามพระเจ้าให้ฤทธิ์อํานาจแก่พระเยซูที่จะทําให้คนตายเป็นขึ้นมาได้สี่พระเจ้าประสงค์ให้มนุษย์ถวายเกียรติพระเยซูครับเหมือนที่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าห้าพระองค์ประสงค์ให้คนทั้งปวงมีชีวิตนิรันดร์โดยเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าหก พระเยซูประสงค์จะกระทำตามน้ําันไทยของพระเจ้าเจ็ดพระเจ้าทรงใช้บุคคลต่างๆยืนยันความจริงเกี่ยวกับพระเยซูแปดพระเจ้าทรงให้ฤทธิ์อำนาจแก่พระเยซูกระทําการอัศจรรย์ต่างๆเพื่อคนทั้งปวงจะเชื่อพระเยซูเก้าพระเจ้าประทานพระกัมภีร์เพื่อคนทั้งปวงจะเชื่อในพระบุตรของพระองค์พี่น้องครับนี่เป็นภาพที่งดงามมากนะครับในการแสดงถึงความรักระหว่างพระบิดากับพระบุตร พระเยซูทรงปรารถนาที่จะเหมือนพ่อบิดานะครับพระองค์พระเจ้าประสงค์ให้คนทั้งปวงถวายเกียรติแด่พระเยซูและรักพระเยซูนะครับพระเยซูประสงค์ที่จะกระทําสิ่งที่พอพระทัยพระบิดางับเป็นภาพที่สวยงามมากครับและอย่าผมอยากจะให้ภาพนี้เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายเช่นเดียวกันครับในขณะที่เราทั้งหลายนั้นเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงห่วงใยเราทั้งหลายนะครับพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเหมือนกับความรักที่พ่อมีต่อลูกครับนะครับ เช่นเดียวกันครับพระเยซูก็ทรงรักเราทั้งหลายด้วยเหมือนกันถ้าไม่รักนั้นพระเยซูก็คงไม่เสด็จมาในโลกนี้และสิ้นพระชนตายแทนเราโดไม่แ ค, คร์นะครับและในขณะเดียวกันครับเราจะต้องถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระเยซูและเราจะต้องรักพระเยซูให้มากนะครับและเราจะต้องทําสิ่งที่พอพระทัยพระเยซูด้วยนะครับนี่คือสิ่งดีที่เราได้รับจากพระองค์ผ่านทางโคจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องแท็กทุกท่านในการทำงานในการดำเนินชีวิตและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องทุกๆคนอามน